ใจกลางๆทําไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือให้มีสติรู้เท่าทันที่มันไม่เป็นกลางเพราะสตินั่นแหะมันตัวกลางสติอ่ะตัวกลางเองนะตัวสติอ่ะเป็นตัวเป็นจิตที่เป็นกลางนอกนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่สติไประลึกรู้เพราะฉะนั้นตัวสตินั่นแหะคือตัวมันเป็นกลาง ตัวมันเป็นกลางคือมันไปรู้สิ่งที่ไม่กลางถูกไหมแต่ตัวมัน่นกลางแล้วก็เอาเพราะมันอยิงซ้ายอยิงขวาเนี่ยสติระลึกรู้หมดตรงนี้นะมันจะเป็นเป็นกลางไปนในตัวของมันมแต่ถ้าเราทําให้ใจเป็นกลา ง, นางเนี่ยบังคับจิตเนี่ยเครียดไม่ได้ทําไม่ได้อันาตตาถ้ารู้ว่าหลงเนีก็คือกลางเกิดขึ้นถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยก็คือรู้นี่แหละเป็นกลางแล้วไอ้รู้นะ่ะพอรู้เนี่ยมันเป็นกลางรู้เนี่ยมันไม่เป็นอะไรถูกไห ม, มรู้เนี่ยมันไม่เป็นกลางเอ้ย รู้เนี่ยมันไม่เป็นอะไรแต่สิ่งถูกรู้เนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่ถูกไหมเราไม่เป็นกางดูสิมันจะรู้เลยนะว่าไม่เป็นกลางแต่รู้นั่นแหละมันเป็นการเสียเองอรู้เนี่ยเป็นการเสียเองอย่างอย่างอย่างสมมติว่าสมมติว่าคนเรารักทุกข์เกลียดสุขใช่ไหมเอ้ยรักสุขเกลียดทุกข์พอโกรธมา ม, มันไม่ชอบใช่ไหมโกรธแล้วนี่นักปฏิบัติเนี่ยชอบอยากที่จะให้ความโกรธหายไปเร็วๆมีการแทรกแซงแต่สติจริงๆมันรู้นะว่ามีการแทรกแซงอะ่ะมันรู้หมดนะว่าทําอะไรไปเช่นแบบผลักใสเนี่ยสติรู้นะไม่มีหรอกไม่รู้มันต้องรู้เพราะนั้นก็ได้แค่รู้ว่ามันผลักใสแล้วอไอ้แค่รู้ผลักใสนั่นแหะอันนั้นเป็นกลางเนี่ย อ, อแต่ถ้าทําให้แบบไม่ต้องผลักใส่เป็นแบบอย่างนี้ไม่ถูกเพราะ ตัวรู้ไงรู้นั่นแหละมันเป็นการ<ม>ด้วยตัวมันเองอืมที่ที่เกิดการเกิดอะไรไม่เลยค่ะมันจะเป็นไม่เข้าไปคุกแล้วก็ไม่ไม่หนีนมันแล้วก็ไม่ลังมันเป็นไอตรงล้างมันคือหล้างมันเอ่ะล้างมันก็คือดูดเข้าตัวประมาณนี้เนาะจะไหมครับล้า ง, งมันคือเรา จะหยุดพฤติกรรมนี้ใช่ไหมคะยึดเหนี่ยวก็คือไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวนี้มันดําเนินต่อเออใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ก็ผิดไม่ถูกมันไม่ถูกในวิอธีพูดถึงในทางปัญญาเนาะเพราะว่าปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ไปดัดแปลงไปไปแทรกแซงเนี่ยไปยั่งไปอะไรเนี่ยมัน มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกในหลักวิปัสสนาแต่อาจจะถูกในเรื่องของสมมถะใช่ไหมสมถะคือการบังคับจิตเพื่อที่จะให้จิตส ง, งบนิ่งให้ส ง, งบอะ่ะเออมันเป็นสมถะแต่ทีนี้ภาพปฏิบัติมันก็บางทีมันรั้งก็เห็นอยู่นะว่ามันรั้งก็ก็ไม่เป็นไรก็สักแต่เห็นว่ามันรั้งพอไม่อยู่เพราะมันเราโยมในกรุงเทพมัานอยู่นะในความนิสิตว่าเป็นไรอยู่ในส่ว มันเบล่อครับอาจารย์รู้สึกเบื่อขึ้มนมาเนี่ยว่าเราจะต้องเจออะไรอย่างนี้ที่จะทําให้เราไ ม, ม่ไม่นิ่งก็อย่างนี้เบื่อเป็นอะไรสังขาร เ, เออแต่ทีนี้มันมีตัวเราหลงไปว่าเราเบื่อเนี่อยู่ที่พูดอะรเราเอาหลงเข้าไปเป็นผู้เบื่อ แต่จริงเบื่อเป็นสังขารไม่ใช่เรานึกออกไหนึกออกเออเพราะว่าที่ที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นภาวะที่ลืมไปไงนึกว่าเราเบื่อใช่ไหมเราเบื่อแต่จริง่เบื่อเป็นสังขารที่มันเป็นธรรมชาติของมันน่เป็นความอยากใช่เอออยากที่จะไม่ให้เบื่ออยากจะสหรืออยากจะสบายใช่ชเออเบื่อก็รู้เบื่อมเรมันมันจะเจอทุกวันน่ะา ตัวนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าสิ้นตัวเราเนี่ยมันเบื่อก็ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยเบ <า S 2> เือ่อก็ก็ไม่ใช่เรา <icism S 1> เออใช่ไหมพออยู่ในเนี้ยอารมณ์มันมากมายเนี่ยอารมณ์มากมายเอออยู่ในที่ถูกใจมันก็ชอบอยู่ในที่อย่างงู้นอย่างนี้มันก็เบื่อแต่ทุกอย่างเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าหลงไปว่าเราเป็นผู้เบือ่อเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่าเนี่ยต้องจเกียกันนะเราเรา เออตรงนี้ต้องต้องแค่ต้องต้องให้ชำนาญเล ย, เลยแหละให้ชำนาญแต่นี้ถ้าถ้าเนี้ยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยต่อไปก็ฝึกฝนเอาเองคือรู้เอาเองว่าอา้าวลงยึดแล้วลงยึดอาการเป็นรอีกแล้วเงี้ยก็จะถอนถอนถอนไปเรื่อยเงี้ยถอนถอนถอนทันนะชีวิตเนี่ยเร่งถอนเร่งถอนเร่งถอนถอนความเห็นผิดไม่ใช่ถอนอะไระหรอผิดถึงผิดเออ ส่งยิงก็ต้องถาเราดูไม่เก่งเราก็ต้องต้องกมาดูตัวเองมากๆเพียนเพียนแต่ทีนี้เนี่ยให้ของให้ฟังไปแล้วนะฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆเพราะว่าธรรมะนี่เรื่องฟังนี่สำคัญนะเพื่อใจกับที่รักอ๋อเออเลิกก็ย้ำเนาะปัจจุบันเนาะรู้อยู่ปัจจุบัน รู้เท่าทันถ้ามันส่งจิตไปไปในอนาคตรู้เท่าทันความคิดแล้วก็วางลงไม่ไปตามแล้วก็เห็นตัวเองบ่อยๆแล้วก็ละรู้เร็วละเร็วพอตัวเองก็เป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงอะไรหรอกปลอม ที่เรียกว่าปลอมเพราะมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายยึดถือไม่ได้ี่ตัวเราในนั้ยึดถือไม่ได้ทิ้งใหหมดตัวเราเป็นผู้รู้ทุกเรื่องแต่ผู้รู้นี้มันก็คือวิญ ญ, ญาณนะความจริงที่ที่โยมบอกว่ารู้นั่นรู้นี่ฟังเลี้ยวเข้าใจเข้าเจอนี่วิญ ญ, ญาณวิ ญ, ญญาณรู้หมดเลย แต่ว่ามันทำงานกับขันตัวอื่นก็มารวมเป็นตัวเราเพราะงั้นถ้าวางตัวเราได้ก็เท่ากับว่าวางขันห้าหมดทั้งห้าขันเลยถ้าวางตัวเราได้เพราะเนี่ยตัวเรามันประกอบด้วยห้าขันเนาะถ้าพบตัวเราแล้ววางตัวเราได้เนี่ยเท่ากับว่าวางขันห้าครบเลยทั้งห้าขันวางทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งถูกรู้จึงดับสนิทไม่มีขันให้ยึดเป็นขณาจิตเนาะ แต่พอเพลอเลยเอามีตัวเราแล้วก็ไปยึดนู่นยึดนี่พอรู้สึกตัวรู้เท่าทันปับ๊บละตัวเราได้อีกแล้วเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยจึงจําเป็นตั้งแต่เบื้องต้นทําการถึงที่สุดแต่ที่เราฝึกกันช่วงเนี้มันฝึกแค่เบื้องต้นคือให้จิตกลับมารู้กายรู้ใจเพื่อไม่ให้มันไปรู้ข้างนอกมากเบื้องต้นนะเนี่ยส่วนใหญ่เบื้องต้น แล้วก็ไอ้ถ้ำกลางเนี่ยส่วนมากก็คือไม่เห็นว่าพอจิตกลับมารู้ที่กายที่ใจแล้วเนี่ยมันก็มีตัวเราอยู่ตัวงที่เป็นผู้เพ่งผู้จ้องผู้เพ่งเนี่ยมันไม่ใช่สติเลยแต่ถ้าสติเนี่ยคือระลึกได้ว่าตอนเนี้ยเพ่งแล้วรู้แล้วว่าเพ่งแล้วก็เลิกเพ่งเสียอันนี้ทางปัญญาเนาะเมื่อไม่เพ่งเนี่ยมันก็อยู่อย่างธรรมชาติธรรมดาอะไรเกิดขึ้นก็รู้เองแล้วไม่เหนื่อยไม่เครียด เป็นชีวิตธรรมดาเดินยืนนั่งนอนปกติเบาสบาย อ, อันนี้ไม่เพ่งแต่ถ้าไม่เพ่งเลยก็อย่างว่าอีกก็เผลอกลับไปสู่รู้ข้างนอกนนอีกแล้วเพราะฉะนั้นจําเป็นแรกๆก็เพ่งบ้างแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเพ่งแล้วมันก็ผ่อนคลายการเพ่งก็หัดหัดทิ้งทิ้งบ้างไม่ต้องเพ่งอ่ะนะมาเรียนรู้ในทางแบบไม่เพ่งบ้างอยู่เป็นปกติแล้วก็ต่อไปมันก็อยู่ในกรอบ มันก็จะอยู่ในกรอบคือรู้กายรู้ใจอยู่แบบไม่เพ่งรู้ทั่วที่เมื่อวานเราพูดถึงรู้ทั่วถึงรู้ทั่วพร้อมรู้กายรู้จิตรู้นอกรู้ในรู้อะไรเนี่ยทีนี้รู้สึกตัวอันที่3ก็คือไม่เห็นความคิดของตัวเองคิดตลอดแต่ยังไม่รู้สึกตัวว่ากําลังคิดอยู่ไม่เห็นสัทีนึ่คิดคิดพอก็ถามว่าโคุณคิดบอกไม่คิดอะไรเลยไม่คิด ไม่คิดอะไรเราอยู่กันหนายัางเถียงอยู่ผู้ชายๆนั่นน่ะคิดแล้วแหละเพราะว่าที่เถียงได้มันต้องคิดใช่ไหมแต่ก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นความคิดก็กสยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต่ออีกอันก็คือไม่รู้สึกตัวว่าตัวเราในจริงๆไม่มี <c oughs> ตัวเราไม่มีอันนี้ก็ถ้ายังยังเข้าใจว่ามีตัวเราอยู่ก็ยังไม่รู้สึกตัวครึือยังหลงอยู่เดี๋ยวถ้ามีรู้สึกตัวขึ้นมาว่าโห มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่มีเราอย่างเงี้ยคือก็หลุดพ้นไปเลยเพราะฉะนั้นคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมีนี่แต่งตำราเองนะมีสีระดับแต่จริงอาจจะมากกว่าน้อยกว่าก็แล้วแต่ที่พูดโดยโดยคร่าวๆรู้สึกตัวสุดยอดก็คือถึงขั้นดับอวิชาได้คือสิ้นหลงไม่ยึดสังขารว่าเป็นเราอีกแล้วไม่หลงแล้วสิ้นหลงถาวร <c oughs> แต่อย่าไปคาดหมายนะถ้าคาดหมายเมื่อไหร่มีตัวเราทันทีเลยให้อยู่แค่ปัจจุบันพอเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แบบไม่คาดหมาย <c oughs> ไม่ตั้งเป้าเช่นบางคนไปตั้งเป้าว่าต้องปฏิบัติทําแล้วต้องไม่โกรธไม่เกลียดนะ่ะแล้วพยายามจะปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นไม่ได้<ช>อันนี้คือมีตัวเราเป็นผู้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วไม่สําเร็จและจะผิดหวังเอาเป็นว่าถ้ามันโกรธก็รู้แคนะ่นั้นแหละหลักสายกลางคือสติปัฏฐานโกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้ถูกไหมแล้วก็ไม่ยึดถือว่าความโกรธก็ไม่ใช่เราที่รู้ว่าโกรธก็ไม่ใช่เราถูกไมก็ง่ายก็วันนี้ก็ผมแค่นี้นะ